สวัสดีแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการพระเจอผีนะคะอยู่ทาง YouTube พระเจอผีด้วยค่ะวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ของคุณรินค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าแปลกพอสมควรนะคะ่ะเรื่องนี้ให้ชื่อว่าคืนฝนพรมค่ะ เหตุการณ์ของคุณรินเกิดขึ้นที่บ้านเช่าย่านจรัญสนิทวงศ์ซึ่งตอนนั้นขณะที่คุณรินกำลังตั้งท้องแก่ๆ ก, ก็ได้ย้ายออกจากคอนโดมาเช่าอยู่เป็นบ้านกับแฟนนะคะซึ่งอยู่ ใ, ใกล้ที่ทำงานอยู่ในซอยเล็กๆค่ะไม่ลึกมากมีบ้านอยู่ในซอยนี้ทั้งหมดสามหลังด้วยกันบ้านเช่าของคุณรินเองก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสาหรับการอยู่เป็นครอบครัว ในวันแรกที่คุณรินเองเนี่ยได้ย้ายบ้านก็มีคนที่มาช่วยย้ายเนี่ยเขาได้ทักว่าทําไมไม่เอาพระเข้าบ้านก่อนซึ่งคุณรินเองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็มีการจุดธูปก้าวดอกเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวันที่สองหลังจากการย้ายนะคะ คืนแรกคุณรินเองก็ฝันเห็นผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านคืนต่อมาก็ฝันเหมือนเดิมค่ะก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เล่าว่าเออฝันเหมือนกันก็เลยพากันไปทำบุญก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณรินแปลกใจก็คือระหว่างที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าเนี่ยลูกในท้องคุณรินจะดิ้นแรงมากซึ่งผิดไปจากตอนที่อยู่คอนโดค่ะ ผ่านไปสักระยะหนึ่งแฟนคุณรินก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยมอบสร้อยพร้อมกับพระให้คุณรินเนี่ยใส่ไว้ตลอดเวลาแล้วก็ห้ามถอดแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่สร้อยพระมีน้ำเข้าคุณรินก็เลยนำพระเนี่ยไปให้ลุงดูแล้วก็ไม่ได้นำกลับมาที่บ้านด้วย พอก้าวเท้าเข้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะลูกในท้องก็ดิ้นอย่างแรงซึ่งปกติแล้วลูกจะดิ้นหลังทานข้าวเท่านั้นแต่กลับเป็นว่าลูกดิ้นแรงเมื่อคุณรินเองเดินเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยเพลียใจเต้นแรงหลังจากนั้นเนี่ยคุณรินก็โทรคุยกับแม่แม่ก็ทักว่าอยู่กับใครทำไมเสียงดังคุณรินก็เลยตอบว่าไม่มีอะไรอยู่คนเดียว แม่ก็เลยเล่าว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าฝันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคุณรินซึ่งต่อมาค่ะคุณรินก็เลยโทรไปให้วินปากซอยที่รู้จักกันนี่ออกมารับไปข้างนอกวินก็ทักว่าแฟนนี่อยู่แต่ยังดีนะมีน้องสาวมาอยู่เป็นเพื่อนทำให้คุณรินรู้สึกหวั่นไหวนะคะแล้วก็ใจสั่นแบบบอกไม่ถูกก็เลยบอกไปว่าพี่หนูอยู่คนเดียว แต่ว่าพอตกกลางคืนนั้นเนะ่ยคะได้เวลานอนค่ะเริ่มมีลมฝนมาคุณรินมองไปที่กําแพงบ้านก็เหมือนมีอะไรมาทาบบังแสงไฟอยู่เป็นรูปเงาคนก็เลยพยายามข่มตานอนแต่กลับรู้สึกนะคะว่าเหมือนมีคนเดินรอบเตียงลงส้อนหนักๆทาให้รู้สึกหวาดผวาตลอดเวลาเมื่อเหลือบมองไปที่หน้าต่างที่ปิดไว้ก็เห็นว่าพามา่านเนี่ยเคลื่อนไปมาค่ะหลังจากที่นอนทนนอนแบบ ไม่ไม่หลับแล้วก็มองเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยมานานพอสมควรก็เลยเกิดสติหลุดลุกไปที่ประตูค่ะเพื่อจะออกไปจากจุดนี้ไฟมันก็ดับทันทีทำให้คุณรินเนี่ยนะคะร่วงลงจากบันไดหลังกระแทกขั้นบันไดแต่ก็ยังพยายามคลานไปหยิบมือถือโทรขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าโทรหาแฟนแล้วก็แม่ไม่ติดค่ะก็เลยโทรไปที่เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ า, าเดี๋ยวตามรถพยาบาลให้ระหว่างที่คุณรินนั่งกองอยู่กับ ข้างบันไดเนี่ยนะคะก็มีเสียงเดินอยู่รอบตัวตลอดเวลาเสียงดังตึกตึกตึกสลับกับเสียงฝนตกหนั ก, นกเมื่อรถพยาบาลมาถึงเสียงนั้นก็หายไปเจ้าหน้าที่ก็พังประตูเข้ามาพร้อมกับน้าคลั่งของคุณรินที่ไหลออกมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาอุ้มคุณรินแล้วก็ทักว่าทําไมน้องสาวไม่เปิดประตูให้แล้วก็ไม่เข้ามาช่วยประคองล่ะทําไมถึงปล่อยให้คุณรินนั่งกองอยู่กับพื้นแบบนี้ ซึ่งเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่ได้ตอบอะไรเหตุการณ์นี้ทําให้คุณรินคลอดก่อนกําหนดแต่ว่าลูกปลอดภัยดีนะคะเมื่อแฟนกลับมาเรื่องราวต่างๆก็เลยกระจางเมื่อมีพระบอกว่าเกี่ยวข้องกับการทําแท้งซึ่งแฟนเนี่ยยอมรับว่าเคยพาแฟนเก่าไปทําแท้งกรรมก็เลยมาตกอยู่ที่ลูกค่ะปัจจุบันลูกของคุณรินแข็งแรงดีและคุณรินกับแฟนก็ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วเรียบร้อยค่ะ เรื่องราวที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกทางด้านของสมาชิกเว็บไซต์ผันทิปนะคะได้โพสต์ลงไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสยองใต้ต้นมะปรางเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองซึ่งตอนนั้นอายุประมาณสิขวบเท่านั้นแต่ว่าภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นเจ้าของกระทู้บอกว่าผมจาได้ไม่มีวันลืม บ้านผมอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งอำเภอที่ผมอยู่นั้นส่วนมากจะทำสวนผ ล, ลไม้เป็นส่วนใหญ่เช่นสวนมะม่วงสวนกล้วยสวนละมุดเป็นต้นแล้วก็อาจจะปลูกต้นไม้อื่นแซมเพิ่มในสวนบ้างเช่นพวกมะปรางกระท้อนขนุนมะพราะ้าวอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดในสวนผ ล, ลไม้นี่แหละ ช่วงนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ําค้างเริ่มลงมาบ้างแล้วซึ่งน้ําทางเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของพวกจิ้งหรีดซึ่งในสวนผลไม้ก็จะมีจิ้งหรีดอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็เจ้าจิ้งหรีดนี่แหละเป็นอาหารโปรดของเจ้าของกระทู้เลยแหละค่ะคืนนั้นเสียงจิ้งรีดระงมดังไปทั่วสวนมันก็เลยชวนให้ออกไปจับยิ่งนักก็เลยจัดการ าพาอาเขยไปจับจิ้งรีดกันโดยวิธีจับจิ้งรีดเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนไหนไม่เคยก็อาจจะยากสักหน่อยนึงคือธรรมชาติของจิ้งหรีดเวลามันร้องมันก็จะออกมาอยู่ที่ปากรูของมันแต่เวลามีอะไรมารบกวนมันจะรีบมุดเข้ารูของมันทันทีเวลาจับเนี่ยเราก็ต้องใช้เสียมอันเล็กๆนะคะปักเพื่อดักรูมันไว้เพื่อไม่ให้มันมุดเข้ารูมันได้แล้วก็จับใส่ขวดขวดที่ใช้ก็ขวดน้ําอัดลมพลาสติกนี่แหละ 2คนอาหลานก็เดินหาจับจิ้งหรีดกันไปเรื่อยๆจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่งคือต้องเข้าใจนี่ยคะว่าสวนแต่ละแปลงมันก็จะติดติดกันแล้วเวลากลางคืนมันก็จะไม่รู้เลยว่าสวนใครเป็นสวนใครเดินกันไปตามเสียงจิ้งหรีดมันร้องเดินไปไกลแค่ไหนก็ไม่รู้ จนมาถึงสวนส่วนหนึ่งซึ่งสวนนี้สภาพมันรกกว่าส่วนอื่นที่เดินผ่านเหมือนไม่มีคนดูแลมานานมากหญ้าก็ขึ้นรกสูงประมาณหัวเข่าได้เสียงจิ้งหรีดที่ร้องในสวนนี้โอ้ร้องดังดีเหลือเกินสองคนอาหลานก็เดินด้อมดอมมองๆส่องไฟหาดูว่ามันร้องอยู่ตรงไหน แต่น้าแปลกค่ะที่เสียงร้องดังขนาดนั้นแต่เราไม่เห็นรูจิ้งรีดเลยแต่ก็ยังพยายามเดินหากันต่อไปจนกระทั่งเดินมาถึงต้นมะปรางใหญ่ต้นหนึ่งดูลักษณะอายุเนี่ยน่าจะหลายสิบปีอยู่นะซึ่งใต้ต้นมะปรางนั้น2คนอาหลานก็ได้ยินเสียงจิ้งรีดร้องดังแล้วก็ร้องเยอะกว่าที่ที่ไปจับผ่านมาซะอีกนะคะก็เลยส่องไฟไปตามใต้ต้นมะปราง ไฟที่เราใช้เป็นพวกไฟแบตเตอรี่ที่ใช้หลอดแบบมีสายสวมที่หัวแล้วก็หลอดไฟจะอยู่ตรงหน้าผากก็คงพอจะมองภาพออกนะคะระหว่างที่สองไฟหาจิ้งหรีดอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งมะปรางนี่มันเขย่าอย่างแรงดังสู้ซาสู้ซาเลยทางที่ในตอนนั้นไม่มีลมค่ะสองคนอาหลานก็เลยพร้อมใจกันยกไฟสองขึ้นไปบนต้นมะปรางแต่ก็ไม่มีอะไร ตอนนั้นสองคนก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วก็เลยหันหลังเตรียมจะออกเดินจากใต้ต้นมะปรางนั้นพอก้าวขาออกมาสักสามก้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างร่วงลงมาจากต้นมะปรางเสียงดังตบุบแบบดังมากๆค่ะแทบจะวินาทีเดียวที่ได้ยินเสียงนั้นสองคนหันไฟไปพร้อมกันให้ตายเถอะมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นลองคิดภาพนะคะว่าใต้ต้นมะปรางมีหญ้าขึ้นประมาณหัวเข่ามีเสียงที่ตกลงเหมือนมีน้ําหนักเยอะมาก แต่ย่าตรงนั้นไม่ยุบเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่จะทันได้คิดอะไรต่อ <S <S ก็ได้ยินเสียงใบของมประปรางเขย่าดังขึ้นอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่มีแค่เสียงเขยาข่าค่ะมีเสียงคางแบบฮืดฮืดอย่างนี้ด้วยนะคะสองคนอาหลานก็เลยส่องไฟขึ้นไปดูพร้อมๆกันคราวนี้แหละนะคะเห็นเต็มตาเลย เป็นร่างของผู้หญิงคนนึงอายุน่าจะประมาณ 30-40 ิบสีกำดังกำลังดิ้นเร่าๆ เ, เลยขาสะบัดไปมาอย่างแรงมีเชือกผูกอยู่ที่คอและเชือกนั้นมัดไว้กับกิ่งมะปรางตาเหลือกปูดแทบจะออกมาเบ้าตาลิ้นจุบ ป, ปากมือกำลังดึงเชือกที่รัดคอไว้อยู่เลยค่ะภาพนั้นทําให้ทั้งอาทั้งหลานยืนช็อกจนขาสาั่นเหงื่อแตกพลักพลั ก, ลกร่างแทบจะสุดไปกองกับพื้นร่างนั้นดิ้นเกือบนาทีแล้วก็หยุด พลันถลึงตามามองที่อากับหลานสองคนแล้วก็พูดเสียงเย็นเย็นหลอนๆบอกเอากูลงไปน้อยแล้วก็หัวเราะอย่างสะใจไม่พอแค่นั้นพูดต่อเออถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวกูลงไปเองก็ได้พูดจบร่างนั้นร่วงลงมาดังตุ๊บค่ะเสียงเดียว ก, กันกับที่ได้ยินในตอนแรกเท่านั้นแหละ ไม่ฟังเลขสี่เลขแปดอะไรทั้งนั้นพอตั้งสติได้ค่ะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ทิศรู้ทางวิ่งไปไหนตอนไหนไม่รู้จนมาถึงบ้านพอเข้าบ้านได้ก็รีบเอาพระมาคล้องคอแล้วก็รีบนอนคุมโปงจนตอนเช้ามาจับไข้หัวโรนเลยนะคะจนย่าเขย่าให้ตื่นนะคะก็ยังไม่ตื่นท่านก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาถึงพากันจับไข้แบบนี้ก็เลยเล่าให้ย่าฟัง ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของเจ้าของเจ้าของที่เดิมนะคะซึ่งเจ้าของที่ตายไปนานแล้วส่วนนั้นก็เลยไม่มีใครไปดูแลแล้วคนที่เราเจอเน่ยน่าจะเป็นเจ้าของที่นั่นแหละย่าบอกว่าแกผูกคอตายใต้ต้นมะปรางในส่วนของแกคงไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมคะว่าต้นไหนเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ขอบคุณที่มานะคะจากในส่วนของคุณดุสิตรอบุญค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะ เรื่องราวแปลกๆต่อไปนี้นะคะที่จะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคนหนึ่งที่อยู่บ้านติดกันกับคนที่เล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณลุงจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณ2ปีแล้วละ่ะแกนี่ชอบไปไหนมาไหนจะชอบไปคนเดียวแล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณลุงเองเขาก็ตั้งใจว่าจะไปปักเบ็ด แกก็ไปคนเดียวอีกค่ะแต่ว่าคราวนี้แกไปต่างบ้านซึ่งอยู่คนละตำบลพอไปถึงแกก็ลงมือปกักเบ็ดเสร็จนะคะกว่าจะใส่เสร็จก็มืดพอดีจากนั้นแกก็กลับที่พักค่ะซึ่งที่พักนั้นก็เป็นกระท่อมแล้วก็มีกอไผ่ปกคลุมกระท่อมอยู่จากนั้นแกก็นำไฟที่เตรียมไว้ไปหาปลาตามปกติที่เคยทำพอได้ปลาตามสมควรแล้วคุณลุงบอกว่าก็กลับมาที่พักกะจะนอนตื่นเช้าถึงจะเก็บกู้เบ็ดที่ใส่ไว้ แต่ว่าเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนได้แกก็นอนที่กระท่อมนั้นนะคะตอนนั้นก็เกือบจะหลับอยู่แล้วค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งตอนแรกก็นึกว่าตัวเองฟังผิดไปแต่ว่าฟังดีๆก็รู้สึกว่าเสียงมันเหมือนคนกำลังกล่อมเด็กอยู่ยิ่งดึกๆดื่นๆแบบนี้เ ง, งียบๆแบบนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆแกก็เลยคิดว่าคนอะไรจะมากล่อมเด็กในเวลานี้ว่าเสียงนั้นก็ยังได้ยินเหมือนเดิม แต่ว่าแกก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นนั่งมองหาซึ่งคืนนั้นก็เป็นคืนเดือนงายค่ะพอมองเห็นแกก็มองหาจนทั่วก็มองไม่เห็นใครแกก็รู้สึกว่าเหมือนเสียงมันอยู่ใกล้ๆนีค่ะแกก็เลยก้มลงไปมองดูใต้กระท่อมนะคะแกเห็นอะไรรู้ไ้มคุณผู้ฟังภาพที่แกเห็นนั้นเนี่ยคือเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาผมยาวคลุมหลังค่ะแต่ว่าที่เห็นนั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นกาลังอุ้มเด็กอยู่ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะกล่อมเด็กไปด้วยที่จริงแกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะคะที่ผ่านผ่านมาแกก็เคยเจอมาเยอะอ่ะแต่ว่าไม่ไม่เหมือนครั้งนี้คือเจอแบบจังๆสุดๆเท่าที่เคยเจอมาในช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวหรือไม่ แต่ว่าตัวแกนิสันแล้วก็ชาไปหมดทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าหูจะอืดด้วยแกบอกแกทำอะไรก็ไม่ถูกค่ะได้แต่นั่งจนเกือบสว่างเสียงนั้นก็เริ่มจางลงแล้วก็หายไปคือรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งสว่างแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะแกก็เลยเดินกลับ แล้วแกก็ได้เห็นชาวบ้านแถวนั้นคนหนึ่งก็ตั้งใจนะฮะว่าจะถามชาวบ้านแถวนั้นว่าที่กระท่อมนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่จะถามค่ะชาวบ้านคนนั้นก็ทักคุณลุงมาก่อนบอกว่ามาปากเบ็ดเราเมื่อคืนพักอยู่ไหนคุณลุงแกก็เลยชี้ไปที่กระท่อมหลังนั้นแล้วชาวบ้านก็เลยมองหน้าของคุณลุงแล้วก็พูดว่าเมื่อคือนนอนอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ แล้วเขาก็พูดต่อว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีใครไปใกล้หรอกเวลากลางคืนเขาบอกว่ากระท่อมนั้นเนี่ยค่ะมีผู้หญิงท้องแก่ค่ะวันนั้นปวดท้องมากก็จะคลอดซะที่นั่นแต่ว่าคลอดลูกจนจะออกอยู่แล้วเขาก็ได้เสียชีวิตก่อนรวมกระทั่งลูกคนแถวนั้นก็เจอกันบ่อยค่ะโอ้โหเนี่ยถ้าหากว่ามารู้ทีหลังเนี่ยมันก็ยังพอทนได้นะคุณผู้ฟังแต่ถ้ารู้ก่อนที่จะไปปักเบ็ดเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณผู้ฟังบางคนนี่ยอาจจะไม่กล้าไปปักและใน ก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ที่หมู่บ้านของคุณปัทพีค่ะมีสถานที่ที่แปลกประหลาดอยู่ที่หนึ่ง ตัวสถานที่นั้นก็ไม่แปลกสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าที่แปลกก็เห็นจะเป็นที่ชื่อเรียกที่พวกเราเรียกที่นั่นว่าขวาสะพานนะคะถ้าเป็นภาษาเหนือนั้นจะเรียกว่าขวาก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าขัวเหมือนทางบ้านบีหรือเปล่านะขัวที่แปลว่าสะพานนั่นเองค่ะหวังว่าคงไม่สับสนกันนะคะแล้วในเมื่อเรียกว่าสะพานว่าขัวแล้วเนี่ยแล้วทําไมต้องเรียกที่นั่นว่าขวาสะพานหรือว่าขัวสะพานด้วย ซึ่งถ้าได้สังเกตคงจะเห็นว่ามันเรียกซ้ำซอนกันอยู่ถูกไหมคะมันมีที่ไปที่มาแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าหมู่บ้านของคุณปัทถพีเนี่ยมีแม่น้ําสายหลักตัดผ่าน2ฟากฝั่งของหมู่บ้านเป็นแม่น้ําที่แต่เดิมเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางชื่อแม่น้ําท่าทรายกว้างประมาณเกือบ30เมตรเห็นจะได้และเพื่อเชื่อมสองหมู่บ้านเข้าด้วยกันทางราชการก็เลยได้สร้างสะพานขนาดใหญ่ผู้คนที่มาสร้างนั้นก็ได้เรียกสะพานว่าขวาหรือว่าขวาัวตาม ชาาบ้านแต่เรียกกันว่าสะพานนะคะเพราะว่านี่คือการสร้างสะพานค่ะชาวบ้านเองก็เลยเรียกที่นั่นว่าสะพานต่อๆกันมาจากแม่น้ำสายใหญ่ก็มีแม่น้ำสายเล็กๆกว้างประมาณ 5-6 เมตรนะคะแยกออกมาจากขนานไปกับแม่น้ำสายหลักที่เป็นแม่น้ำเล็กๆชาวบ้านก็ได้สร้างสะพานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าขัวหรือว่าขวาอีกนั่นแหละนะคะ อันว่าขัวสะพานนั้นเก่าแก่มากนะคะน่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนที่คุณปัทภพีจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าพอคุณปัทภพีจำความได้ก็เห็นสะพานนี้อยู่แล้วด้วยเพราะความเก่าแก่โบราณผ่านกาลและสมัยมานานมากก็เลยทำให้สะพานเกิดพังลงและชาวบ้านนะคะก็เลยต้องซ่อมแซมกันเองค่ะ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของสะพานนี้นะคะก็ไม่ว่าจะพังไปกี่ครั้งชาวบ้านก็จะมาซ่อมแซมกันเองก็เลยทําให้งานชิ้นนี้ราชการต้องมาช่วยกันซ่อมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากเหตุการณ์ซ่อมสะพานครั้งใหม่นี้แหลคะค่ะที่ทําให้เกิดเรื่องหน้าขนลุกขนพองขึ้นจนต้องนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันการสร้างสะพานนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่ ทำให้มีพวกคนงานมาอยู่กันเยอะค่ะมีการสร้างเพิงพักของคนงานใกลๆ้ๆกับแม่น้ำที่เขาทำสะพานแล้วก็ในนั้นก็จะมีลูกเมียคนงานตามมาอยู่ด้วยแล้วก็ในบรรดาภรรยาหรือว่าคนงานทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มีคนท้องแก่อยู่คนหนึ่งตามมาอยู่ด้วยสกับสามีเช่นกันนะคะซึ่งคาดว่าเมื่อสะพานสร้างเสร็จก็คงครบกาหนดคลอดพอดีค่ะ ในขณะที่สะพานกําลังใกล้จะเสร็จอยู่แล้วนั้นก็มีเรื่องไม่น่าจะเกิดได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ตั้งท้องคนนั้นไปขุดหาเนาะไม้ซึ่งจะมีต้นไผ่หวานอยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กับสะพานซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่เป็นดงทําให้ใต้สะพานดูครึ้มตลอดทั้งวันแต่เกิดปรากฏนะคะ ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบได้ค่ะเมื่อมีคนมาพบว่าเธอเนี่ยตกลูกที่นั่นและเสียชีวิตไปซะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนักนะคะก็มีข่าวว่าบริเวณสะพานนั้นเนี่ยได้มีผีไม่ลูกอ่อนออกมาสร้างความหวาดผวาไปทั่วบริเวณคนงานแทบจะเลิกล้มความตั้งใจในการสร้างสะพานทั้งๆ ท, ท, ที่จวนจะเสร็จแล้วนะคะ แม้แต่ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดค่ะซึ่งยังคง อ, อยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณ200เมตรก็ยังได้ยินเสียงเด็กอ่อนร้องไห้แล้วก็ยังได้ยินเสียงคนร้องเพลงกล่อมเด็กแววมาให้ได้ยินกันอยู่เรื่อยๆโดยที่ลูกคนงานคนอื่นๆก็โตกันแล้วไม่มีเด็กแล้วสักคนเลยและแล้วในที่สุดสะพานก็ซ่อมเสร็จค่ะแต่กว่าจะเสร็จนี่หัวหน้าคนงานก็ต้องทั้งขู่ทั้งกลอบจนคนงานต้องอยู่ทาสะพานจนเสร็จ หลังสะพานสร้างเสร็จคนงานแทบจะรีบย้ายออกจากบริเวณนั้นทันทีไม่แม้แต่จะรื้อเพิงพักออกซะด้วยซ้าหลังสะพานสร้างเสร็จคนงานก็ไปกันจนหมดสิ้นแล้วนะคะทุกคนก็คิดว่าเรื่องคงจะจบลงแต่คิดผิดค่ะ ทุกครั้งเวลากลางคืนทุกคนที่อยู่ใกล้หรือว่าผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องให้แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแววแวๆมาเสมอรวมถึงบางคนนะคะเคยเห็นแม้กระทั่งมีคนไปยืนเห่กล่อมเด็กอยู่ใต้สะพานนั้นอีกด้วย แล้เมื่อมองลงไปก็จะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อยคอยเงยหน้ากลับขึ้นมามองนะคะแล้วใบหน้าอันขาวซีดนั้นก็ลอยเข้ามาหาใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วก็เรื่อยๆจนผู้คนผวาไม่กล้าเข้าใกล้สะพานนั้นอีกเลยค่ะ ส่วนตัวคุณปัทถะพีเองค่ะแม้จะไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะที่จะไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณนั้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนแม้จะเป็นแค่ช่วงหัวค่ําก็ตามทีและด้วยความที่มันเป็นแม่น้ําสายหลักเนาะทําให้สะพานไม่ได้มีอยู่ที่เดียวแต่ว่าสะพานถัดไปที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นก็อยู่ห่างจากกลางหมู่บ้านไปอีกประมาณเกือบเกือบ800เมตรนะคะแล้วก็ห่างไกลาจากบ้านพอสมควรค่ะ 800เมตรในสมัยนั้นนะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะโดยเฉพาะเมื่อผู้คนสัญจร น, นี่ยังใช้วิธีการเดินแล้วก็จักรยานบ้างเป็นเป็นหลักนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็น่าจะมีน้อยคันนักในหมู่บ้านแล้วก็จะไม่มีรถยนต์เลยซึ่งไม่เหมือนกับสมัยนี้หรอกนะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าเป็นตอนกลางคืนชาวบ้านที่นี่เขาเลือกที่จะเดินไปใช้อีกสะพานหนึ่งมากกว่าสะพานที่ว่านี้เนี่ยค่ะสร้างขึ้นในช่วงที่แม่น้ําคอดกิ่วที่สุดแล้วก็ไม่มีแม่น้ําเส้นขนานแล้วจึงไม่ใช่สะพานที่ใหญ่โตนักชาวบ้านช่วยกันสร้างกันเองด้วยไม้แล้วก็ใจค่ะสําหรับคุณปตัตตภีเองถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วก็จะเลือกว่าจะใช้สะพานไหนคําตอบคือไม้ค่ะทั้งสองสะพานเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง ก็มีความจําเป็นนะคะมันมาบังคับให้ต้องเลือกจนได้ความจําเป็นที่ว่านั้นก็คือหนังการแปลงค่ะแล้วก็เป็นหนังการแปลงที่คนฉายเนี่ยภาคเองด้วยนะคะความมันอันทันสมัยสูงสุดของหมู่บ้านป่าชาวดงในเวลานั้น ก็เป็นหนังแบบนี้นะคะแล้วไอ้หนังที่ว่านี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ามช่วงหลักๆด้วยการตามสูตรเป๊ะเลยก็คือตอนแรกจะฉายหนังพื้นๆตล ก, ตลกๆหน่อยให้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีก็เรียกว่าหนังครอบครัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะขั้นรายการด้วยการขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอามาขายหนังรอบแรกนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจบราวสองทุ่มครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นหนังบู๊หนังแอคชั่นมันสะใจ คุณปัทภีบอกว่าหนังบูนี่แหละครับที่ผมรอดูหนังบูก็จบราวสี่ทุ่มเห็นจะได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหนังติดเรทสําหรับผู้ใหญ่จะเอาไว้ท้ายสุดหรือไม่ก็จะเป็นหนังผีอะไรประมาณนี้วันนั้นพวกเราชาวบ้านเหนือมากันหลายคนคะ่ะก็เลยดูอุ่นใจหน่อยคุณปัทภีลืมบอกไปว่าแม่น้ําเนี่ยมันแยกเหนือใต้เราก็เลยแยกหมู่บ้านเป็นบ้านเหนือแล้วก็บ้านใต้เช่นกันซึ่งบ้านใต้เนี่ยจะมีโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนชาวบ้านเหนือก็จะมีวัดไว้สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจหนังที่มาฉายเนี่ยมาฉายที่โรงเรียนค่ะซึ่งอยู่หมู่บ้านใต้ซึ่งหมายถึงด้านใต้ของขวาสะพานนั่นเองตอนมายังไม่มืดค่ำเท่าไหร่นักแล้วก็คึกคักคลาคลําไปด้วยผู้คนค่ะของซื้อของขายของกินของขบเคี้ยวถูกนำมาวางเรียงรายหอมฟุ้งเลยนะคะ นานๆหมู่บ้านจะคึกคักแบบนี้สัทีเนาะทำให้คุณปัทภีเองก็คึกคักไปด้วยเลยความรู้สึกหวาดกลัวผีที่ขวาสะพานเนี่ยไม่มีแม้แต่น้อยในขณะนั้นวันนั้นดูหนังคนเดียวค่ะที่บ้านเนี่ยไม่มีใครมาด้วยเพราะคิดว่าที่บ้านมีคนไข้กันหลายคนก็คือน้าสาวก็เป็นหวัดกันหลายคนด้วย โดยตัวของอคุณปัทภีเองก็ยังเด็กแต่ว่าไม่ค่อยกลัวผีกลัวคนนักอาจจะเป็นเพราะว่าปู่เนี่ยเป็นกำนันแล้วก็น้าชายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็เลยดูเป็นนักเลงหน่อยตามผู้ใหญ่เานะนะคะพอคิดเอาไว้ว่าหนังบูจบก็เลยจะรีบกลับทันทีตอนนั้นคงมีเพื่อนกลับด้วยกันเยอะอยู่แม่ผ่านสะพาน ก็ตอนกลางคืนนี่ค่ะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันหน่อยแต่ว่าการคาดการของคุณปัทภีเนี่ยผิดไปถนัดตาค่ะไม่รู้พวกบ้านเหนือกลับกันไปหมดตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่าคงหลังจากหนังครอบครัวจบ พวกที่มาเนี่ยคงมากันเป็นครอบครัวทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครอยู่ดูหนังบู๊กันเลยคราวนี้ก็เหลือตัวคนเดียวล่วะหนังวันนั้นสนุกถูกใจมากมายความสนุกของหนังเนี่ยบทบังความน่ากลัวในใจไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม้จะกลับคนเดียวแต่วันนั้นก็เลือกที่จะใช้เส้นทางผ่านขวาสะพานตัดสินใจแน่วแน่แล้วละนี่ยฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอกับอะไรด้วยแค่ราว 2-300 เมตรจากหนังฉายที่ทําให้ขวาสะพานเนี่ย ยังมีเสียงดังพอได้ยินให้ชื่นใจคุณปัทถพีก็บอกว่าตอนนั้นเดินมาใกล้ถึงสะพานและก็รู้สึกว่าใจชื้นเป็นกองเลยเพราะว่ายังได้ยินเสียงภาพยนตร์อยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ความมืดก็ยิ่งมากขึ้นนะคะกับความกลัวที่ยิ่งทวีคูณเข้ามาเกาะกินหัวใจเสียงลำไผ่นี่เสียดสีกันดังเอี๊ยดออดแว่ววังเวงบางครั้งก็แตกลั่นดังเปรี้ยะนะคะลมหวิวลอดผ่านลำต้นกิ่งใบจนเสียงของหนังที่แว่วมาถูกกลบลงไปด้วยเสียงไผ่ลู่ลม ยูยูค่ะจักรยานเจ้ากรรมของคุณปัทภีก็ตกร่องไม้ของสะพานซะ ง, งั้นเพราะความมืดนะคะทำให้มองไม่เห็นร่องไม้ซึ่งถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ว่านี่มันเป็นเวลากลางคืนค่ะดึกเปลี่ยวทำให้จำใจต้องลงไปจูงจักรยานข้ามสะพานแทนการปั่นอย่างช่วยไม่ได้ฉับพลันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเสียงดังเล็ดลอด กอไผ่เข้ามากระทบถึงหูเขาเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงกล่อมเด็กเบาๆแวววมาตอนแรกก็นึกว่าหูฝาดแต่ว่าเสียงมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆลอดมาจากไผ่ใต้กอเสียงเด็กร้องอ้อแอดงอแงแววตามมาตัวคุณปัทภีนิชาแข็งทื่อเสียงเด็กเริ่มร้องไห้ดังชัดขึ้นเรื่อยๆในใจก็คิดว่าอ ย, ย่าหยุดนะะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุด แม้จะบอกตัวเองแบบนั้นค่ะแต่ว่าเท้าเจ้ากรรมกลับไม่ยอมทําตามเอาซะเลยมันแข็งแล้วก็หนักราวกับได้ ก, กลายเป็นตอหม้อสะพานไปซะแล้วและแล้วค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รถเจ้ากรรมตกลงไปในร่องไม้เสียงดังตึกเลยคราวนี้มันติดแงกขยับไม่ได้ค่ะตาเจ้ากรรมเองก็ดันเผลนล้อมองลอดไปที่กอไผ่สิ่งที่สายตาเห็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอกําลังเงยหน้ามามองดูอย่างช้าๆ ทันใดนั้นก็มีมือใครสักคนนะคะคว้าหมับเข้าที่ข้อเท้าของตัวคุณปัทตพีเองมันลอดช่องไม้ด้านข้างสะพานเข้ามาจับทิ้งรถจักรยานทันทีค่ะเพ่นแนบไม่คิดชีวิตพยายามจะร้องให้สุดเสียงแต่เหมือนกับคอเนี่ยถูกตะคริวจับกินไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแม้แต่แอะเดียว คุณปัทถพีทะลึ่งพรวดพลาดเข้าบ้านท่ามกลางความตกใจของใครหลายคนแต่นั่นคงไม่เท่ากับคุณปัทถพีเองนะคะได้เข้าไปนั่งคุมโปงอยู่กลางบ้านไม่ยอมตอบคําถามของใครทั้งนั้นรุ่งเช้าก็จับไข้เพอร์เจอร์ไม่รู้เรื่องที่บ้านต้องพาไปหาหมอแล้วก็ทําพิธีเรียกขวัญ น, นะคะข่าวถูกผีไม่ลูกอ่อนหลอกกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณปัทถพีเองจะยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยก็ตามเห็นรถที่ทิ้งไว้ที่สะพานแล้วเขาก็รู้กันนะคะสำหรับชาวบ้าน หลายวันต่อมาอาการของคุณปทัทภีเองก็เริ่มดีขึ้นปู่เองก็คอยมาปลอบโยนอยู่ใกล้ๆพลางหัวเราะขำแล้วค่ะหาว่าขี้กลัวไปได้ปู่เขาผ่านไปผ่านมาตั้งหลายทีหลายหนไม่ยากจะเจอผีแม้ลุกอ่อนนี้สักทีปู่ไม่กลัวผีค่ะทุกอย่างก็เล่าให้ปู่ฟังเรียบร้อยรวมถึงเรื่องมือที่มาจับข้อเท้าไว้ปู่บอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรืออาจจะมีใครมากแกล้งเราเล่นก็ได้แต่ว่าเท่าที่จาได้นั่นคือ มันเป็นมือเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นมือนุ่มๆค่ะเหมือนเป็นมือของเด็กก็ไม่ปานและมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีใครสคักคนหนึ่งเอื้อมมือมาจากใต้สะพานมาจับที่ขาหรือว่าอะไรของใครได้นะคะนอกจากคาว่าผีอย่างเดียวก็เหมือนกับความมืดละค่ะเป็นที่รู้กันว่าที่ไหนมีแสงสว่างความมืดก็จะค่อยๆหดหายไปแล้วผีก็จะมักไม่อยู่ในที่ที่มันสว่าง <S <S เช่นกัน หลายปีต่อมานะคะความเจริญที่เข้ามาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีบ้านเพิ่มขึ้นแสงไฟเพิ่มขึ้นทุกอย่างเริ่มขยับขยายเข้าใกล้ขวาสะพานเข้าไปทุกขณะทีละน้อยทีละน้อย ความกลัวผีไม่ลูกอ่อนเองก็เริ่มลดน้อยถอยลงตามกันแม้ว่าคุณปัทภีเองจะยังคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีไม่ลูกอ่อนคู่นั้นมาอยู่บ้างก็ตามแต่ว่านานวันเข้ากันพบเห็นก็ได้ลดลงเรื่อยๆส่วนตัวนั้นนะคะไม่คิดจะไปคลองแวะที่นั่นตอนกลางคืนอีกเลยบอกตามตรงค่ะว่าเข็ดแม้จะอยากรู้อยากเห็นอยู่ก็ตามทีว่าผีมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เจออะไรในวันนั้น และแล้วในที่สุดนะคะไฟฟ้าก็เข้ามายังหมู่บ้านของคุณปัทถีและไฟฟ้าที่ขวาสะพานก็มีติดตั้งแล้วเรียบร้อยนับแต่นั้นมาก็ไม่มีเรื่องผีไม่ลูกอ่อนออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอีกเลยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟรหรือว่าเธอไม่มีห่วงที่นั่นอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันและนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณปัทถีบอกว่าผมควรเล่า ผมเฝ้าถามตัวเองบ่อยครั้งว่าผมควรจะเล่าเรื่องนี้ดีหรือเปล่าและครั้งนั้นผมเองก็เจอผีเข้าแล้วจริงๆหรือไม่มันค่อนข้างเป็นเรื่องสับสนในชีวิตตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ความมืดความกลัวรวมถึงเรื่องที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาให้ได้ยินก็อาจจะทําให้คิดไปเองก็ได้เช่นกันและนี่จะไม่ใช่เรื่องที่ผมควรเล่าเลยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมคิดไว้ว่าผมเจอเข้ากับตัวเองแล้วและผมเฝ้าติดตามมาตลอดว่า นี่แหละนี่คือประสบการณ์ถูกผีหลอกแต่ก็อย่างที่บอกนะตอนนั้นยังเด็กนักและสับสนจนไม่กล้าให้คำตอบกับตัวเองชัดๆว่าเจออะไรและสิ่งที่เจอคืออะไรอะไรจริงอะไรเท็จและเท็จจริงแค่ไหนมันก็เลยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องรวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นการบันทึกสังเกตการสำหรับปรากฏการผีหลอกวิญญาณหลอนสาหรับตัวเขาเท่านั้นนะคะ เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้ในชีวิตบ้างหรือเปล่าสำหรับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังสรุปความคิดเห็นของคุณว่าอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เชื่อหรือไม่และคิดว่าเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนและอะไรที่คุณเจอแล้วอะไรที่ทําให้คุณเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเช่นนั้นคุณปัทภีเองทิ้งท้ายไว้นะคะบอกว่าผมก็ได้แต่หวังว่าคําตอบของคุณจะเป็นบทสรุปให้กับคําตอบของผมได้สักวันหนึ่งเมื่อวันแห่งการต้องตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อได้มาถึงขอบคุณคุณปัทภีเขเวสกรด้วยนะคะกับเรื่องผีแม่ลูกอ่อนที่ขวาสะพานค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ B ีด้วยและอย่าลืมนะคะร่วมพูดคุยถามถ่ายสารทุกสุขดิบนะคะกับบรรดาญาติโกโหติกาของพวกเราทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะกลับมาเ จ, เจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ